ปั จ, จัยแห่งสมาธิสองประการนี้มีหลักการบางอย่างที่ควรทราบดังต่อไปนี้บุพนิมิตรที่หนึ่งปรโตโคสะหรือกัลยาณมิตรวิธีการแห่งศรัทธา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 คนที่ น, นี้ทางธรรมเรียกว่าสัตว์บรุษบ้างบัณฑิตบ้างถ้าคนดีคือสัตว์บรุษหรือบัณฑิตนี้ไปทําหน้าที่ช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนชักนําสัมมาทิฏฐิให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเขาทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแต่บุคคลผู้แสวงสัมมาทิฐิไม่จําเป็นต้องรอให้สัตว์บรุษหรือบัณฑิตมาหาตนตรงข้ามเขาย่อมกระตือรือร้อนที่จะไปหาไปปรึกษาไปสดับฟัง ไปขอคำแนะนำชี้แจงสั่งสอนเข้าร่วมมู่อยู่ใกล้ตลอดจนศึกษาแบบอย่างแนวทางจากบัณดิตหรือสัตว์บรุษนั่นเองการกระทําของเขาอย่างนี้เรียกว่าการเสวนาสัตว์บรุษหรือคบหาคนดีตามบาลีจะใช้ศัพเป็นสัพปริ ส, สังเสวะหรือสัพปริสูปสังเสวะหรือสัพปริสูปัสยะหรือ สัพปริสูปานิสยะหรือสัพปริสัตเสวนาหรือบัณฑิตาเสวนาก็ได้แต่ไม่ว่าสัตว์บรุษจะมาทําหน้าที่ให้หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตว์บรุษเองก็ตามในเมื่อมีการยอมรับหรืออิทธิพลต่อกันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขามีกัลยาณมิตรและเรียกภาวะนี้ว่ากัลยาณมิตรต า, ตาแปลว่า ความมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างในความหมายสามัญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนำชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องในคำภีวิสุทธิมักท่านยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกครูอาจารย์